นางอุตราฟังทำใจผาูพุทธเจ้าแล้วเป็นพระโสดาบันก็วินีปาติกาเหล่านี้มีความต่างกันโดยกายและสัญญาในปฏิสันธิถึงการนับว่าเป็นนาน่าตากายยะนาน่าตัดสัญญีมีกายต่างมีสัญญาต่างนั่นเองนี่เป็นอย่างนี้นี่กลุ่มกายต่างสัญญาต่างโอ้โหท่านก็มีบุญท่านนะเป็นพระโสดาบันไปแล้วเห็นไหมยักษ์ยังเป็นบรรลุเป็นพระโสดาบันเราได้อัตภาพเป็นมนุษย์นึง ใช่ไหมทีนี้พวกพรมชั้นพรมกายิการตั้งแต่ปฐมฌานเนี่ยนะที่ต่างกันโดยประเภทชั้นต่ําชั้นกลางแล้วก็ชั้นปณิสเรียกกันว่าพรมปริสัจจาพรมปรอยตาหมาพรมนี่นะพวกสัตว์ในใบยภูมิทั้งสี่พวกสัตว์นรกเอยสัตว์เดียชานเปอสุรกายเป็นนานตาตกายะเอกะตะสัญญีมีกายต่างแต่มีสัญญาอย่างเดียวกันกายเขาต่างกันนะแต่ปฏิญที่อันเดียวกันตัวปฏิญที่เหมือนกันเลยเนะี่ย บรรดาพรมชั้นพรมวิกายการเหล่านี้กายของพรมโปรหิตเป็นกายที่ไปบุญกว่าแล้วก็ประมาณกว่าพรมวัปริษพรมบริษัทคือเขากลากายเขาส่วนกายของมหาพรมเป็นกายที่ไปบุญกว่าพรมของพรมโปรหิตางายของพรมเหล่านั้นเป็นกายที่โอราญกว่าพรมชั้นต่ําๆแม้ด้วยอนุภาคประจิงอยู่ถึงกระนั้นนะขนั้นไม่ได้เป็นประมาณในที่นี้จริงอย่างนั้นนะแม้ว่ากายของพรมปริตตาพาเป็นต้นแล้วพรมของพรมบริษบริษตสุภาเนี่ย เป็นกายที่ประมาณคือมีนอมนิมภาพนท่านก็กําหนดด้วยอำนาจความเป็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นพวกาพรมชั้นปริตตาภาเป็นต้นเนี่ยนะและพรมชั้นปริตตาสุภาเป็นต้นเหล่านั้นท่านจึงกล่าวว่ามีกายอย่างเดียวกันพวกพรมชั้นพรมกายิกาเหล่านั้นมีกายต่างกันเห่งกายแต่ว่ามีความเสมอกันเป็นอันเดียวกันด้วยอำ น, นาจแห่งวิบากในปฐมฌานให้ได้มีวิบากตัวเดียวกั น, กกนและสัญญาในปฏิเสธทีจึงมีความมีกายต่างมีสัญญาอย่างเดียวกัน เหมือนอย่างพวกพรหมท่านพรหมประลิกไายพรหมมากายิกาเป็นต้นชั้นใดพวกอบายสัตว์อบายสัตว์เนี่ยคือสัตว์นรกนั้นนะมีอัตราภาพยาวขาวุธบ้างบางพวกก็กึ่งโยด น, นี่นะบางพวกก็เป็นโยดที่นะพระเทวทัตมีอัตราภาพถึงร้อโยตโอ้โหทําไมใหญ่ยาวขนาด น, นั้นอ้าเพื่อเพื่อ กายปรสสาตยจะได้กว้างจะได้รองรับทุกขเวทนาที่ฉีดมาจากทิศทั้งหกทิศทั้งแปดเพื่อจะได้เหมาะแก่กรรมที่ทำใชสัตติกายใหญ่เวลาทุกขกะทุกมากมเทวทัศน์ใหญ่กว่าช้างหลายร้อยหลายพันเชือกก็ร้อยยอด คือสัตว์สัตว์ในอายภูมิเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีร่างกายโปร่งไม่ชนกันเป็นสัตว์ประหลาดมากใหญ่ขนาดนั้นสามารถอยู่ด้วยกันเยอะแยะหมดแล้วกายของใครของมันแล้วก็ได้รับทุ ก, ท ก, ทกตามกรรมของแต่ละบุคคลตลาดมากเดินไม่ชนกันประหลาดมากแต่ออกจากห้องตรงนั้นไม่ได้แสนั้นจะทรมานมาก กายาบแต่หยาบประเภทที่มันโปร่งนี่ท่านไหนก็ไม่รู้เดินไม่ชนกันเรื่อประหลาดมากไม่ดูดิทเทวทูตสูตรไม่อ่านดูโดยฉันทงดีกาอารักขาและดีกาเรืรร่อประหลาดแท้นี่กรรมวิจิตขนาดนั้นใช่ไหมอย่าแปลกใจใช่ไหมแต่ก่อนโอ้เขาจะหายใจยังไงเนี่ยมาไปเปิดดูลนอนในซ่วมันดีเจ้าไม่แปลกใจเลยขนาดอัดแน่นขนาดนั้นพอเปิดซ่วออกมาไตไม่บวชหัว ดำเต็มไปหมดโยเยไปหมดแล้ยอยู่ได้ไงถ้ากรรไม่หล่อเลี้ยงก็ั้าเราให้ไปอยู่ดังนั้นไม่ต้องจะมองตายเลยใช่ไหมขเขาอยู่ได้เราตายมา่อไหรเด่ น, นแต่ตัวเราก็จะมีหนอนโยเยเต็มไปหมดแล้วนะทีนี้แม้แต่พวกสัตว์ดิบฉ า, านบางเหล่าเนาะบางพวกก็มีขนาดเล็กบางพวกก็มีขนาดใหญ่นะแม่ในเปรดนะเนะ บางพวกก็มีลำตัวตั้งประมาณหกสิบซอกบ้างแปดสิบซอกบ้างบางพวกก็มีผิวงามบางพวกก็มีผิวทรามอสูนหรือกาลันชิกะนะก็เป็นเหมือนกันนะปิติวิสัยอะเป็ดเนี้นะในทีฆะปิติกะเป็ดมีลำตัวหกหกสิบโยชน์สัญญาในปฏิสนธิของเปตเหล่านั้นน่มันเป็นอกุศลนิบากเหมือนกันเนาะแม้พวกที่เป็นเกิดในบายก็ถึงการนะับว่ากายต่างแต่สัญญาเหมือนกันหมดนะพวกนี้สัญญาตัวเดียวกันแล้ว อุเบกขสันเตียนะอกุศลเน่ยเป็นสัญญาของเขาเนะี่ยส่วนทุติยอาจารพรมตั้งแต่ปริตตาภาประมาณนาพานะอภัสราเรียกว่าเอกตากายานานตาสิกก็คือมีกายอย่างเดียวกันแต่สัญญาต่างกายของพรมในทุติยอาจารพรมเหล่านี้ทั้งหมดนะ่ยมีประมาณอย่างเดียวกันนะส่วนสัญญาในปฏิสนธิมีความต่างกันเกี่ยวกับทุติยอาจบ้างตัทิยอาจารบ้างคือบางพวกก็เป็นพวกทุติยอาจาริบากของพวกกตัดทิยอานาิบาก ฉะนั้นไอตัวตัวสัญญามันต่างแต่ตัวรูปรูปเหมือนพวกพรหมปริตตสุภาประมาณนัสุภาสุปกินหาในตติยชาญภูมิเอกตากายะเอกะตัดสัญญาพวกนี้ไกลก็อย่างเดียวกันสัญญาก็อย่างเดียวกันเนาะอันนี้เป็นกลุ่มในปฏิสนธิของเข้าในเจตุทชานน่นแหละในวิบากเหมือนกันร่างกายก็เหมือนกันเอาเวหาพราแหละก็จัดเข้าในวิญญาณทีติที่สเนี่แหละกายและสัญญาในปฏิสนธิของพวกวิบากในปัญจมชานใะนรูปเหมือนเดียวกัน เหมือนเดียวกันนะส่วนพรมสุทาวาสที่อยู่ในฝ่ายของวตตารุวิวัตสุทาวาสนะอยู่ในวัตตารุวิวตะวิวตตแล้วกลุ่มเหล่านี้เขากลุ่มที่จะพ้นจากวัตะว่าเขียนก็บอกด้วยนะนี่กลุ่มนี้เขาเรียกกลุ่มวิวัตะไม่ใช่กลุ่มวัตต์เพราะภพเหล่านี้เป็นพบของพวกวิวัตะพบที่เขาต้องการตัดวตะ์เขาถึงไปเขาถึงจะไปอยู่ในตรงนั้นได้ เขาจะต้องมีคนคัดกรองอย่างดีเลยอยากไปอยู่เพื่ะต้องเป็นพ้านาคาเขาว่าถ้าไม่เป็นบ้านนาคาเขาไม่ให้พรเข้าไปเลยบัตรผ่านอย่างเดียวเท่านั้นคือมรรคที่สามนาคามีมรรคเป็นพระอนาคามีม เ, าาามเข้าไปเขาจะต้อนรับอย่างดีเป็นสุดทาวาสเป็นพบเป็นชั้นที่บริสุทธิ์มากแต่อยู่วันนั้นก็สามารถลงมาเยี่ยมพ่อ ย, ยมแม่ได้ถ้าต้องการอยากจะมากลัวจะไม่มาดี่ว่าไปแล้วมันลืมกันเลยว่าไปตรงนั้น ใช่ไมไม่อยากมาแล้วอยากมาไหมอะไม่อยากมาแล้วใจท่านน้อมออกจากการบุณหมดแล้วเว้นแต่ผูกพันจริงๆอย่างพายญาพารุทารุจริยาท่านก็มาบอกสักทีเนีย่ยนะแล้วเราเคยทำสัมพันธไมตรีกับพระสุทธาวาสภพ ม, มุ้งวเนนั้นแต่เกิดมามีท่านเตือนเราสักครั้งไหมโอ้โหบุญน้อยเกิน <laughs> คือบุคคลที่อยู่ในวิวัตะนี่นะเขาไม่เคยมาเตือนเราเลยนยะแสดงว่าเรายังไม่ค่อยมีอัธยาศัยเท่าไหร่จะได้รู้ตัวเองเนาะคือปัญหาเลยตอนนี้ยังอยากคนทุกข์อยู่ก็อยากคนตั้งอัธยาศัยไปสักวันหนึ่งท่านจะมาสอนธรรมะเราเพราะไม่มีการเวียนกลับมาอีกไม่ใช่เกิดอยู่ในการทั้งหมดนะย่อมไม่เกิดขึ้นในโลกที่เว้นจากพระพุทธเจ้านแะม้ตั้งแสนกับแม้ตั้งสงไขกับ เมื่อพระเจ้าทั้งหลายยังไม่สรบัติขึ้นภายในหนึ่งสนหกหมื่นกับนั่นแหละย่อมเกิดขึ้นเป็นเหมือนสถานที่ยันเป็นค่ายพักของพระผู้มิภาคเจ้าของผู้แสดงธรรมจักนะผู้ทรงประกาศธรรมจักเพราะฉะนั้นจึงไม่จัดเข้าในวิญญาณนธิติเขาบอกว่าเขาบอกว่าส่วนพรหมชั้นสุทาวาสนั้นน่ะตั้งอยู่ในไยวัตตะเพราะไม่มีการเวียนกลับไม่ใช่เกิดอยู่ในการทั้งหมด ย่อมไม่เกิดขึ้นในโลกที่ว่างอยูพุทธเจ้าแม้ทั้งแสนกับแม้ทั้งอสงไขยเมื่อพุทธเจ้าทั้งหลายยังไม่เสด็จอุบัติภ <c oughs> ายในหกแสนในภายในหนึ่งแสนหกหมื่นกับก็เกิดขึ้นย่อมเป็นเหมือนสถานที่เป็นค่ายพักของพระผู้ให้ภาคผู้ประกาศธรรมจักเพราะนันจึงไม่จัดเข้าในวิญญาณนิติไม่จัดเข้าในสตาวา เออสุทาวาตาผมไม่จัดเข้าในวิญญาณในที่ติเนาะไม่จัดเข้าในสุทาวาตเออไม่ขออไปไม่จัดเข้าในสตาวาตท่านเจียรตินะเออไม่มีจริงเราลืมขิดข้อนี้ไปนะท่านไม่จัดไว้อันนี้มติหนึ่งเนาะจนอาจารย์พระมหาศิวัะเทระก็บอกว่าแม้สุทาวาตก็จัดนะสัตว์เป็นตตวาต ท, ที่สี่โดยพรสูตรว่าดูปัญจาริบุตรที่อยู่ของสถานที่เราไม่เคยอยู่โดยการอัชาญชานานนี้ไม่ใช่เป็นสถานที่จะพึงหาได้ง่าย เว้นไว้แต่เทวดาชั้นสุท้าวัดคําของพระมหาศิวะเทลานั้นยอมกันเพราะพระสูตรไม่ขัดกันเพราะฉะนั้นหมู่สัตว์ในภูมิทั้งเก้ามีพรมชั้นปริตตสุภาเป็นต้นอะไรนี้มีภรมชั้นอกคนิษถาเป็นที่ต้นหากอสัญญาสัตว์ออกไปเสียพึงถือว่าเป็นเอกตากายะเอกตัดสัญญีมีกายอย่างเดียวก็มีสัญญาอย่างเดียวนี้นะส่วนอัศจรรสตา์ไม่รวมอยู่ในเพราะว่าไม่มีวิญ ญ, ญาณ จริงอย่างนั้นเมื่อพระเจ้ายังไม่ได้เสด็จอุบัติเกิดขึ้นนักบวชพระทิภายนอกกลุ่มเหล่านี้ไม่รู้จากวัตตะไม่รู้จักที่สุดของวัตตะก็ทําบริกรรมวายโยสกสินยังจตุตจาน์มือปัญจมาฌานให้ตั้งขึ้นยังความพอใจชอบใจเราตําหนิจิตเราตําหนิจิตขึ้นชื่อว่าความไม่มีจิตนั่นแหละดีเขคิดอย่างเงี้ยอาศัยจิตเนี่ยเราจรึงถูกเป็นทุกข์ถูกฆ่าถูกจองจําโอ้ถูกทุบ ถ, ถ, ถ, ถ, ถูกตี ว่าการมีจิตนี่แหละทำให้เราท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่เนาะเมื่อไม่มีจิตทุกก็ไม่มีมีฌานมีฌานไม่เสื่อมรอบทํากาลแล้วเกิดเป็นอสัญญีด้วยหน้าแทงปฏิสนธิรูปียาบทรั้นใดที่อยู่ในวางอยู่ในมนุษย์โลกนะท่านก็จะไปอยู่ในอยาบทนั้นเช่นท่านยืนมรณภาพหรือไม่ใช่ท่านยืนตายนั่งตายนอนตายก็จะไปอยู่อย่างนั้นแหละห้าร้อยมหากับ ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณในสัญญีนั้นไม่มีเลยด้วยอำนาจแห่งสัญญาเวลาคาภาวนานี่นะเพราะฉะนั้นอสัญญาศัตว์ตอนนี้จึงไม่จัดเข้าในวิญญาณในที่ตีเพราะไม่มีวิญญาณอันนี้เข้าใจเดิเนาะเขาจะไปอยู่ท่าไหนถ้าถามบอกว่าเออพวกอสัญญาศาตว์นี่ไปอยู่ท่าไหนบอกว่าตอนตายก็ตายท่าไหนตายท่านั่งก็ไปนั่งอยู่เป็นเหมือนผมลูกปัก ตาถ้ายืนก็ไปตั้งอยู่งั้นน่ะเปนหินงนั้นนะ่ะถ้านอนก็ไปนอนอยู่งั้นนะ่ะพวกเจ้าเห็นนี่นโะอ้โห oh. หลักฐานที่ไหนถ้านในชั้นก็อธิ ก, กรรมาเลดีกาเนะี่ยเลดีกาดีกามีหลายที่ไม่บอกรายละเอียดไว้ว่ายืนตายนั่งตายนอนตาย <S <S มีบอกไหมใช่ไหมเยวะมากไม่เคยบอกรายละเอียดไว้เทาเลดีการายากขยายมากกว่า เนวสัญญานาสัญญาจึนั้นไม่รวมอยู่ในวิญญาณทีฏฐิเพราะมีวิญญาณที่ละเอียดเหมือนกับสัญญาท่านเลยไม่จกเป็นวิญญาณทีฏฐิใช่ไหมจึงลดออกไปก็เหลือเจ็ดเลยทีนี้เนวสัญญาเนี่ยเป็นวิญญาณที่ไม่ใช่ไม่ไม่เป็นก็ไม่ใช่เนี่ยความที่วิญญาณถึงภาวะที่ละเอียดเหลือเหลือลงจากสงขานแล้วก็ไม่เป็นวิญญาณโดยประการทั้งปวงก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนวะสัญญานาสัญญาเนี่ยบอกเป็นวิญญาณก็ไม่ใช่ไม่ใช่วิญญาณก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นจึงไม่รวมอยู่ในวิญาณทีติ มีกี่แห่งวิญญาณที่แจ่มชัดไม่มีอย่างนั้นนะเทวดาหกชั้นวินิปากษ์ปามนุษย์ทั้งหลายสัตว์ที่มีกายต่างมีสัญญาต่างพวกพรมชั้นปฐมชาตและอวัยวสัตมีกายต่างมีสัญญาอย่างเดียวกันพรมทุติยชาตภูมิมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างพวกตัิยชาติภูมิเนี่ยนะและพวกเจตุตชาตเนี่ยที่เว้นอสัญญาเนี่ยนะเป็นสัตว์ที่มีกายอย่างเดียวมีสัญญาอย่างเดียวกันวิญญาณอาทิติทั้งสี่เหล่านี้ย กับอารูปอีกสามนะอากาสาอากินแล้วกันเนวะนี่เป็นวิญญาณนิทิฏฐิจึงนับเป็นเจ็ดเพิ่มตรงนั้นอีกสองก็เป็นเก้าเนาะจบและต่อไปก็โลกกระทั่มนี่พระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลกเหล่านี้สัตาวาธแล้วก็วิญญาณนิทิฏิเนาะต่อไปก็วิญญาณนิทิฏเจ็ดต่อไปโลกแปดก็คือโลกรโลกระทั่มแปดโลกกระทั่มแปดนี่มีอะไรอะ่ะลาบเสืออเส่อมลาบยอดเสื่อมยอดนินดาสารเสรื่อสุขทุกข์่ชื่อโลกกะทั่มเพราะเป็นธรรมของโลก โลกกระทำเหล่านี้เป็นธรรมที่มีอยู่อย่างแน่นอนกับสัตว์โลกไหมเพราะฉะนั้นสัตว์หลายๆชื่อว่าพ้นจากโลกกระทำมีหรือไม่มีไม่มีเนาะโลกกระทำตกไปตามโลกไปไปมาในบางค่าวและโลกก็ย่อมตกไปตามธรรมเหล่านั้นในบางข่าวเพราะบาลีที่ตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายโลกกระทำแปดก็คือลาบเสื่อมลาบมียอเสื่อมยอดนินทาสารเสริญมสุรเลทุกเนี่ยย่อมหมุนเวียนไปตามโลกและโลกก็หมุนเวียนไปตามโลกกระทำ การได้อาหารและเครื่องนองห่มเป็นต้นชื่อว่าลาบใช่ไหมเนี่ยได้ลาบอาหารและเครื่องนองห่มเป็นต้นเหล่านั้นแหละชื่อว่าลาเพราะเป็นสิ่งที่ควรได้ความไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นชื่อว่าเสื่อมลาบก็ลาบและความเสื่อมลาบนี้โดยสาวว่าลาบถือเอาด้วยความยินดีโดยสาวว่าความเสื่อมลาบถือเอาด้วยความยินร้ายเห็นไหมถ้าถามบอกว่ามีลาบก็ยินดี เสื่อมลาภก็ยินร้ายมียศก็ยินดีเสื่อมยศก็ยินร้ายเนาะแล้วก็เวียคนสารเสริญก็ยินดีมีคนยินทาก็ยินร้ายเนี่ยนะก็ลายแบเนี้ยเวลามีสุก็ยินดีเวลามีทุกก็ยินร้ายมันเป็นไปตามโลกไหมรู้แจ้งโลกอันนี้ไหมถ้ารู้แจ้งโลกอันนี้ก็เรียกว่ารู้แจ้งสังสารวัตรก็เอามาวิจัยตรงเนี้ยนะวิจัยอันเนี้ยคนเห็นกันเยอะ ชาวโลกชอบพูดกันนี้มีลาบเสริมลาบมียอะเสริยมยอะด้วยกันนะ <c oughs> ทีนี้ถามว่าเห็นโลกด้วยตัณหามานาทิฐิหรือไม่หรือเห็นด้วยโทสะหรือเห็นด้วยปัญญาถ้าเห็นด้วยปัญญาที่ตัวนี้เขาท่านหมายเอาปัญญาไปเห็นนะพอเห็นได้คนทั่วไปก็เห็นกันทั้งนั้นเลยพูดปลอบใจตนเองว่างปลอบใจคนอื่นก็เป็นธรรมบัญญแต่เสียดายต้ตา ย, ย <c oughs> ไม่น่าจากไปเลยใช่ไหม เน้นไม่น่าจากไปเลยอยงเงี้ยโทมานั่นก็เกิดอย่างเงี้ยเขาเรียกเสื่อมลาบใช่ไหมท่าเน้นอยู่ก็โอ้ยดีใจมีลาบเข้าใจไหมเพราะเน้นมีบุญไปบินตาบดได้อาหารเยอะท่าเน้นไม่อยู่ยุ่งเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยเข้าใจปะไม่รู้เรื่องอีกตรงนี้ก็คือว่าลาบนี่นะ ความที่เสื่อมลาบก็เป็นอันมาแล้วเหมือนกันเขาบอกว่าในความยินดีและความยินร้ายต่างๆเนี่ยพึงทราบประการถือาความยินดีมีลาบเป็นอารมณ์เนี่ยและความยินมร้ายมีการเสื่อมลาบเป็นอามด้วยประการอย่างนี้ก็เมื่อลาบมาถึงความเสื่อมลาบมาถึงเหมือนกันไหมอ้าวเวลาลาบมาถึงปุ๊บเชื่อความเสมื่อมลาบตามไหมอย่างใช่ไหมถ้าตามาปุ๊บความเสมื่อมตาตามมาด้วยไหม หูมาพุ๊บความเสื่อมของหูก็ตามไปได้วยนะเจมูกมาพุ๊บความเสื่อมของเจมูกลิ้นมาพุ๊บความเสื่อมของลิ้นกายมาพุ๊บความเสื่อมของกายผมมาความเสื่อมของผมรูปปัจฉันมาทั้งหมดเดี๋ยวความเสื่อมของรูปปัจฉันนามขันอะไรเกิดมาสรุปแล้วโลกธรรมคือสังสารวัตใช่ไหมนั้นได้อะไรมาเนะ่ยท่องไว้เลยเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไป ไ, ได้พบเดี๋ยวก็เสื่อมเดี๋ยวก็เสื่อมแม้ความเข้าใจพระธรรมที่ยังไม่เป็นโลกกตะละเพาได้มาเดี๋ยวศรัทธ <laughs> าได้มาเดี๋ยวก็ไม่ต้องระวังเลยให้มันเสื่มให้มันนีให้มันเปลี่ยนขึ้นนะยังมันพัฒนาขึ้นยังมันถอยลงถอยลงนีม่มีราบเสื่มลาบมีศรัทธาเสืส่มศรัทธาใช่ไม่ใช่นั้นวันเนี้ยเขาชมเรา <laughs> <laughs> เดี๋ยวเขาก็ถ้าเรา ใช่ไหมก็มันมีเดี๋ยวมันก็มาอีกมุมหนึ่งอยากไปหวังกับโลกธรรมเพราะมันเป็นไปกับโลกมันเป็นไปกับสังสารวัฏมันเป็นไปกับสังขารโลกเป็นไปกับภาชนะโลกมันเป็นไปกับโอกาสโลกมันเป็นไปกับสัตว์โลกโลกอยู่ที่ไหนล่าไปตรงนั้นไอ้โลกธรรมแปดเนี่ยมันไปกับโลกนี้มันอยู่กับโลกนี้ถ้ามีโลกก็มีโลกธรรมไม่มีโลกก็มีโลกก็ธรรมถ้ามีสังสารวัฏก็มีโลกธรรมเนะ่ถ้าไม่มีสังสารวัฏก็ไม่มีโลกธรรม เอไปล้วที่เดินสังสารวัฏไหมก็เดินไปกับโลกกระทนี่แหละแล้วคุณจะเอามุมเดียวไม่ได้ฮะคุณจะเอาแบบมีราบมียศสุขแล้วแลกษาระเสริญเนียจะเอามุมเดียวไม่ได้คุณต้องยอมรับความมีความเสื่อมของมันเนี่ยยอมได้ไหมหรือยอมแบบไหนยอมแบบยอมแบบตายอมหรือยอมแบบปัญญาต้องเข้าใจเข้าถึงก้อนยิงใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจเข้าถึงนั้เราก็อยู่กับโลกแบบนี้ด้วยความทุกข์ด้วยความทรมาน ใะ่ไเอาพเจ้าบตดเกิดขึ้นตอนนี้พระเจ้าปฏิทิพผ่านเตือมไปไหมนะี่ยใช่ไหเถราทำพระเจ้าตอนนี้ตั้งอยู่เดี๋ยวก็อีกไม่กี่ปีก็อีกไม่กี่พันปีก็หลุดเตือมไหมนี่ไงโลกกระทำเข้าใจยังโอ้โยาวเลยงานนี้วิจารยาวเลยเนี่ย โยไม่ต้องทำโยไม่ต้องทามาเป็นขั้นตอน้หนอย่างนี้แล้วเต่ง่าอย่างนั้นเป็นขั้นตอนนี้แล้วจะจะตั้ ง, งกนน็มันแล้วมันเป็นไหมแก้งพูดบิดให้เป็นรึมันเป็นจริงจิ ม, มันเป็นเนา ะ, ะพอเป็นอย่างนั้นแล้วนันละ เอางี้นะเวลาเวลามีโลหิตเกิดขึ้นในร่างกายนะเป็นโลหิตแล้วมีน้ำหนองตามในโลหิตใช่ไลองไปวิจัยถ้าใครถ้าใครวิจัยร่างกายได้ยิ่งยิ่งเห็นความมีราบเสื่อมล้บความเป็นไตของสัตว์ชัดเลยตอนนี้อาตมามีไตตอนนี้ก็เสื่อมจากไตไแล้ว ใช่ไหมนี่นี่เรากระทำนะต่อไปก็วิจัยก่อนเอาวันนี้อุทิศส่วนกุศลกันนนี่นี่ก็จะหกมงเลยเนะี่ยโอ้โหใช่เวลา ย, ยาวนะอ่ะอุทิศส่วนกุศลตั้งใจนะสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ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 ที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบนนุญนี้ขอเท ว, วดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายจงปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่จนเถ ก, กทกเมื่อจนถึงบทอันกเกษมกล่าวคือพานิพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้น จงสำเร็จสาธุสาธุสาธุาธบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เพราะบุญนั้นและการอุทิศ ส, ส่วนบุญนั้นขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งโลกุตาลธรรมเต้าในทันทีถ้าข้าพเจ้ายังเป็นผู้อาภาพอยู่ยังต้องท่องเที่ยวไปในวัดตาสงสาร ขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นอนสมควรได้กัลยาณามิตรได้ฟังพระสัทธรรมได้ปฏิบัติธราควรและไม่เข้าถึงฐานะแห่งความอาภาพ18อย่างข้าพเจ้าไม่อยากเว้นดังห้าเพึ่งยินดีในการรักษาศีลไม่ก่อเกี่ยวในกามกุณทัง้าเพึ่งเว้นจากเปลือกตมกาวคือกาว ขอให้ข้าพเจ้าไม่พึงประกอบด้วยทิฏฐิชั่วพึงประกอบด้วยทิฏฐิที ด, ดนะีไม่พึงคบมิดชั่วพึงคบแต่บัณฑิตทุกเมือ่อขอให้ข้าพเจ้าบ่เกิดแห่งคุณคือศรัทธาสติหิริโอตตาปะความเพียรและขันติพึงเป็นผู้ที่ศัตรูครอบงำไม่ได้ไม่เป็นพลเขาคนหลงงม ง, งาย ขอให้ข้าพเจ้าขอขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอูบายหความเสื่อมและความเจริญเป็นผู้เฉียบแหลมในอัดและธทรรมขอให้ยานของข้าพเจ้าเป็นไปไม่ขัดข้องในธรรมที่ควรรู้ดูดลมพัดไปในอากาศจันนั้นความปรารถนาใดใดของข้าพเจ้าที่เป็นกุศล ขอให้สำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อคุณที่ข้าพระเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้ย่อมมีแก่ข้าพระเจ้าทุกทุกพบ เ, เมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก เ, เกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อนั้นขอให้ข้าพระเจ้าพ้านจากกรรมอันชั่วชาทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรมขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์ ได้เพศบริสุทธิ์ได้บรรพชาอุปสมบทแล้วเป็นคนรักศีลมีศีลทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระศาสดาขอให้เป็นผู้มีการปฏิบัติโดยสะดวกัดสรู้ได้พรันกระทำให้แจ้งซึ่งอาราธผลอันเลิศ อ, อันประดับด้วยธรรมมีวิชาเป็นต้นถ้าหากพระพุทธเจ้ายัางไม่บังเกิดขึ้น แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมแล้วขอให้ข้าพเจ้าเพิ่งได้ยานเป็นเครื่องตัดสู้เฉพาะตนอันสูงสุดเธอดสาธุสาธุสาธุ